ในช่วงของการคุยธรรมที่เราจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็มา เอ่อเรายังมีความสงสัยมีความยังที่เอ่อเป็นความรู้ของคนอื่นแต่เป็น สอนมาเนี่ยคือสอนความเอ่อรู้ ที่ความหมายรู้ในสัญญะความ 2 อย่างนี้มีความหมายไม่ แม้มาเป็นความรู้ของตัวเราเองหรือมิเราดูจากเรียนสัสสีก็ได้ในพุทธเจ้าพูดถึง ให้มาใหระ 3 ระดับนี้นี้ซึ่งหลายๆคน 3 อย่างนี้เป็นปัญญาในเอ่อแต่ละระดับใช่มั้ยๆอันนี้มันมัน อะไรเป็นปัญหาของเราเราต้องรู้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่าง 2 มนสิกานใน 3 ระดับนี้ เอ้ารู้เข้าใจถูกละๆจริงๆจะว่าง่ายมันก็ยากมันก็ไม่ยากไหนถ้าบอกง่ายบอกว่าไม่ ก็คือเรื่องของความทุกข์เพราะว่าเราเจอความทุกข์อยู่ทุกวี่ทุกวันนะบางคนอาจจะ และอะไรที่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นน่ะมีสภาวะได้พูดถึงความทุกข์นะได้หนังสือมีสภาวะที่ได้ ที่เป็นทุกข์มั้ยน่ะก็ดูสิ่งมันเที่ยงหรือเปล่าน่ะถ้าเอ่อมันไม่เที่ยง คุณเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าในขั้นที่ 1 เนี่ยมาเป็นความรู้ของเราแล้วแต่บางคน <Y out ube> นั่นแหละความเข้าใจตรงนั้นน่ะนั่นน่ะสบายมันจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกอบโลมัน ในการที่จะทําให้ความรู้มันเข้าไปสู่บ้างปุจฉาให้นิยามอย่างไรเราชี้ไปดูไปนะ เราต้องทําความเข้าใจเขานะคือไม่ใช่ให้ทิ้งนะไหนๆๆอยู่ๆๆคุณนําผิดแล้วทําไม่ถูกนะทุกข์เนี่ยให้คุณทําความเข้าใจคุณ นะมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากธาตุ 4 ดินน้ำไฟลมนะแล้วยังไงมันจะเป็นไงต่อ เน่นะมีสภาวะที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าให้ละนะต้องทําความเข้าใจนะบางทีมันเจ็บเจ็บคอเจ็บหลัง นะก็หมายรู้ก็คือหมายถึงทําความเข้าใจนั่นแหละพยายามศึกษาเข้าใจมันให้แตกฉานนะว่าความเจ็บ ถ้าเรามีเขาก็มีเอ๊ะแล้วเราจะไม่ต้องๆย้ําค่อยๆทํา ทำซ้ำๆย้ำๆไปพอมีความเข้าใจแล้วเนี่ยมันเข้าใจให้มันละเอียดนะ นะถ้าพูดถึงสัญญาก็เกิดมาจากผัสสะนะถ้าพูดถึงเมตตาเอาก็ 5 นั่น 5 เนี่ยเป็นการ ก็จะแบ่งจัดได้อยู่เป็น 5 หมวดนะซ้ําไม่ผ่านรถติดไฟ 5 ทั้งสิ้นนะเป็นขันธ์ 5 ทั้งสิ้นนะ 5 เหมือนกันอยู่ในส่วนรูปนะ เราเข้าใจกันทั้ง 5 ในลักษณะนี้เนี่ยก็เจ็บอ๋อนี่มันปวดอันนี้มีความสุขอันนี้ๆไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ย นะตรงนี้ว่าขันทั้ง 5 เนี่ยก็เกิดจากภาษาเหมือนกันนะประเด็นพอมีหักมันวางมันเนี่ยไม่ใช่งั้นแต่เรา แนวความเข้าใจในเรื่องคุณสภาพต่างๆของมันบ้างพอทําความเข้าใจใน เราใช้ใจของให้ไปถึงความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยนั่นก็คือเราปฏิบัติตามอริยมรรค 8 นะ 8 ก็คือ 8 อย่างองค์ประกอบ 8 อย่างนี้เราก็รู้สึกหลายๆคนก็จะต้องกัน ให้มันสู่ใจของเรานะโดยการที่ใคร่ครวนในนั่งสมาธินะปฏิบัติตามมรรคกระบวน 5 ได้นะเรารับรู้ 5 ได้นะ นัมมะใดก็ตามที่เราเอาเข้าใจสภาวะที่เป็นทุกข์ณวางความทุกข์นั้นได้ดับไปแล้วในสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นคือสภาวะที่เป็นสุขนั่นเองในสภาวะที่เป็นสุขเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังท่านผู้ฟังณบัดนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระ